ผุ้บิชิตพรา ะ, ห น, ะหน่วยนะในลูกหลานมาทำบุญอุทิศถวายอาจารย์ปั้นนับว่าเป็นการสรงควรเหมาะที่สุดแก่ฐานะที่เราทุกคนเป็นสิทธิอนุสิตของครูบาอาจารย์ <c oughs> เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว <c oughs> ก็ไม่มีทางใดซึ่งจะ ฉนองบุญคุณของท่านนอกจากการทำบุญอุทิศไปให้เท่านั้นการทำบุญให้คนตายที่เรียกว่าเปตะเคยมีการสวดมนต์โดยส่วนมากท่านสวดสังเวกถาหรือเทศถึงไหนหรือสวดสูตรที่เกี่ยวทุงเรื่อง อนัตตาคือของไม่เที่ยงด้วยสมรรถนั้นแม่แต่บางสกุลที่เรียกว่าบางสกุลท่านก็สแสดงถึงเรื่องของไม่เที่ยงเหมือนกันเช่นท่านบางสกุลอนิจจาวัสังขาเป็นต้นเมื่อควางนีนั้นว่าถึงเรื่องสังขารสังขารคือ สิ่งที่ปรุงขึ้นมาจากธาตุสี่ในน้าไฟลงเป็นก้อนขึ้นมาจะมีวิญญาณคองเช่นมนุษย์ของเราเรียกว่าสังขารมีวิญญาณคลองก็ตามหรือสิ่งที่ไม่มีวิญญาณคลองเช่นต้นไม้ไม่มีวิญญาณคลองก็เรียกว่าสังขารเหมือนกันันบรรดาสังขารนี่แหละที่เกิดขึ้นมาแล้วนั้นมีความเกิดขึ้นแล้วก็ มีความเสื่อมศูนย์ดับไปเป็นที่สุดในคำบางสกุลนันะอนิจจาวัตสังขาราอุปัฏฐวาญธรรมิโนอุปชิตวานิรุษคันติเตสังอุปตะโมทุโกโขแปลเป็นภาษาบ้านเราก็เข้าใจกันง่ายว่าสังขารดังที่ว่านี้ละ่ะมีความเกิดขึ้นเป็นธรรม สังขารออุปอันนี้แจวจะสังขารอุปัทวายธรรมีโนสังขารเกิดขึ้นเป็นธรรมเป็นธรรมเลยไม่ใช่เป็นเป็นธรรมได้เกิดขึ้นที่ว่าธรรมดาคือคือธรรมนั่นแหละอุปัทฐาวายธรามิโนอุปชิตตวานิรุตชันติครั้นี้ทําไมพูดถึงธรรมเพาพูดตรงต้นแล้วเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมดับไปเตสังอุปสมสทุโข ถ้าหากว่าคนเราใครก็ตามรู้เท่าถึงเรื่องทั้งฐานมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมแล้วดับไปทีน่นี้จิตใจไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องและผัวพันคนนั้นและจะได้รับความสุขความสุขอยู่ตรงนั้นต่างหากนี่เรื่องอันนี้เรื่องบังสกุลเป็นแทนเรื่องบังสกุลในเวลาที่ทำงานศพนเรียพระบังสกุลบัณฑคุณ แต่คนเข้าใจผิดคิดไปอีกอย่างหนึง่งนั่นพอบางสกุลนะ่ะกลัวนักกลัวหนาแม้แต่เด็กฆ่าสวดอยู่ในวัดก็กลัวตายชาวบ้านนั่งกลัวนักกลัวหนาได้ยินเสียงฆ่าสวดกุสลน่ะเอาแล้วกลัวคนจะตายเข้าใจผิดคิดผิดไปหมดเลยเรื่องศาสนาแท้จริงศาสนาพูดถึงแก่นของจริง มันเป็นจริงมันเป็นธรรมธรรมคือของจริงมันเป็นจริงอย่างนั้นสิ่งใดเกิดขึ้นมาจาไม่มีแก่ดับไม่มีแต่คนเราเข้าใจผิดคิดผิดไปอันนี้คือความคนที่ไม่มีธรรมว่าคนไม่เป็นธรรมเลยธรรมทั้งหลายจะพูดเป็นธรรมสักเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นธรรมให้คือกลายเป็นโลกไป ม, มดเลย <c oughs> ถ้าสวดกุศลาบงางสกุล แทนที่จะมาคิดมาพิจรารณาตามหลักที่ท่านแสดงนั้นไม่เอากลับกลัวธ ร, รมเห็นว่าเป็นไทยเป็นอุบาทเป็นไทยเป็นอุบาทแก่ตนและเป็นอุบาทแก่บ้านแกเมืองพลาดสวดกุศลานะ่กลัวกนจะตายยังเลื้อยเถื่อนนั่นเป็ะอีกบางทีนั่นถ้าคนไหนถูกอุปถวมภ์จะลายหรือ ได้ความเดือดร้อนวุ่นวายหรือเจ็บไข้ได้ป่วยรับประการต่างๆครับทั้งคนที่เป็นภัยเป็นเวรต่อกันแล้วกันโคตรเหยียดหยาบกุศลธรรมะกุศาธรรมะคล้ายๆกับเหยียดหยามหมายกว่าให้มันตายซ้ำสักมันไปอย่างนั้นเดี๋ยวๆนันผิดอย่างไงแรงคนเข้าใจผิดในหลักพุศลธรรมะถึงว่าศาสตร์ธรรมะจึงเลอะเถลี้ยหลายจนไปหมดเลย พระผู้สวดกเหมือนกั น, ากนบางทีแล้วไม่เข้าใจพูดสวดก็ดีมันจะหน่าเขินใจชาวบ้านถ้าก็ไม่รู้ชาวบ้านก็ไม่เข้าใจคนตาบอดเลยจูงคนตาบอดตามกันไปหมดตัวเงเหมือนกั น, อ, กนอันนี้พระบางองค์หรอกที่ไม่เข้าใจเอ้ยเือนี่เจ้าเป็นค้าถามอหานิยมถ้าหลงนี่เจ้าสังขาแล้วต้องได้แน่อย่างน้อยก็ห้าบาทสิบาทขึ้นไปเลย เไปอย่างนี้ก็มีได้หรอือนี่คนเข้าใจผิดําผิดไปอย่างนี้อันเราปฏิบัติศาสนามล้ไม่ถูกเลยคิดเลอะเทอะวันไปมดเลยเวลาจะบางสกุลมาติกาพากระโบราณท่านสอนดีๆคนเถ่าังนแก่เมื่อจะไปบางสกุลคนตายให้บางสกุลตนเช่ก่อนเหมืนน คำบงังสกุลตนน่ะอะไรอายังอัตมาพาโบอัตุเจยสุพังอิมังกัมมาฐานังภาเวติแล้วยังค่ว่าอันนี้เจ้าจะสังฆราพทไวทมิโนโต่อไปคือบางทกุลตนน่หมายว่าอายังอัตมาพาโวคือตัวของเรานี่แหละอัตุเจยสุพังเป็นของปิจิกูลพึ่งเสียดอิมังกัมมาฐานังภาเวติให้เจริญกรรมฐานอย่างนี้ ไม่งี้ได้ผลโบราณท่านสอนแต่นี้มันลืมกันไปหมดจ้ะแล้วไม่เข้าใจเนื้อความจึง <c oughs> เข้าใจผิดหลงผิดออ ก, การทำบุญในในเมื่อทำบุญในงานศพนั้นแทนที่จะไปปรงอนิจังทุกขังอนัตตาตามในที่ว่ามานีมาสมัยนี้เลยไปกันใหญ่กันโต งานศพคนเยอะมากเลเป็นเรื่องสนุกสนานันพูดก็พูดเลยเถอะแต่ช่างหน่อยมันเป็นเรื่องไปอวดตัวแข่งกันจ้ะแต่งต้นแต่งตัวลู้หาแทนที่จะพงอนิจังทุกขังหน้าตาโอ้โหแข่งแต่งต้นอย่า ง, ต, ต, ง ต, ตัวไปอวดกันไปอวดเอสุภาษณนั่นแหละของปฏิกูลรวยเน่านั่นแหละเอาของเน่าไปอวดไปโชว์กันในเวลางานศพอะไรต่างๆ มันเป็นอย่างนี้แน่คว้มหลงของคนน่ะมันหลงให้หลงก็ตั้งตั้งแต่ต้นจนตลอดไป <c oughs> คู่ที่ท่านมีปัญญาชนะเห็นคนตายแล้วอาะพิทน้อมถึงตนของเราวันเราก็จะต้องเป็นเช่นนั่นเหมือนกันวันหนึ่งข้างหน้าต่างแต่ว่าช้าและเร็วเมื่อพิจนาเห็นเช่นนี้แล้วจะเกิดความไม่ประมาท ดังเทศนายฟังเมื่อกันเมื่อคืนนี้โยจะวัชชะสตังสีเวอาพัสสังอพยุพยยังคู่ใดมีอายุแต่ร้อปีก็ตามเถอะถ้าหากไม่เห็นความเกิดไม่พิจารณาเห็นความเกิดความดับของตนและไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยในชีวิตนั้นนอกจะไม่มีผลประโยชน์แก่ตนแล้วนั้นยังเป็นภัยแก่บ้านแก่เนือง คือมาแย่งกินเขาให้สิ้นเปลืองหมดไปเปลืองทั้งอาหารการกินเปลือง ท, งทั้งที่อยู่ที่อาศัยนอกจากนั้นยังเป็นภัยยิ่งขึ้นไปก็นนอีกถ้าคนไม่คิดทั้งเรื่องโคงเกิดโค้งเสื่อมโค้งสิ้นสุดระดับไปเขาหมชีวิตของตนแล้วจะเป็นอันธถานรบบ้านรกเมือง พพุทธเจ้าเทศนาวานาชยาโลกวัตโนไหนเกิดขึ้นมาในโลกเลยอย่าไปรบบ้านลราเหมือนเขาเลยรบป่ารบดงพวกชาสวนเขาชอบชาวไร่เขาชอบทางดีๆแล้วก็มันแห้งก็เผามันยังเป็นปุ๋ยปลูกอะไรก็งามคนนี่ไปมันไม่เป็นปุ๋ยเลยเ๊เผาไหนมันก็เป็นภัยอันตรายพะนันเกิดต้งไม่ก็เป็นภัยอันตรายตนั้น จะไปทิ้งไหนก็นไม่ได้มันเน่าคนที่เคยฟังมหาชาติชาดกสมัยโบราณก็คงจะพอเข้าใจกันได้แต่ว่าเรื่องนี้อิตาพามนั่นนะแกไม่มีสินมีทาอะไรเลยพอได้รางวัลจากพระเจ้าปรมศร์สีสันไยซึ่งเอากันหาสลีไปส่งเอาไป้จาาในป่า พระเจ้บรมสีทอดใช้ให้รางวัลนดี อ, อกดีใจกิจนรึอจนท้องแตกตายคนไม่รู้จักความมานเพราะตายแล้วเขาเนี่ยเป็นมันเป็นเขาถือว่าเป็นคนอุบาตจะไปทิ้งง่ายเขาก็เกลียดเขาก็ชังเอาไปวันที่ไหนที่ไหนเขากเก็ียดชังหมดในผลที่สุดเอาไปเผาโน่อนอันที่ไม่มีผู้มีคน ในเมืองนครน่าจะมาเคยไปสมัยก่อนกลัวกันจะเกินอิทธิามทํารูปอิทธิพแห่ในเวลาการถืกศพแห่เวลาการถืชกพอเท่การถือศพได้ได้กัร น, นะะั่นก็แห่ออกจากเมืองนะครับนี่เอาไปเท่เงี้ยนบอนไอ้คนไม่รู้ตาคนไม่เห็นหนนะั้นไม่สายจะไปไหนก็ลงนู้นนี่ลงอี อาซ้ายโขงเหมือนกันเผากัมนกันพวกกี้เมาสนุกใหญ่แห่ ต, ตาทานไปเผาลุงเช้าไปเก็บกระดูกไม่มีสตาไปขอชาวบ้านพวกขี้เมาสนุกกงีใหญ่คนอภิใจใจไรมันเป็นอย่างนี้ถึงไม่ใช่ตาทานมาตามถึงอันธพานถึวันนี้มันทําให้บ้านเมืองมรุกลุ่หลังแส้งรกเนี่ยคนประมาทมันต้องเป็นอย่างนี้ คือไม่ได้จักไขรู้จักไหวความเสื่อมสิ้นไปของชีวิตของตน <c oughs> ถ้าหากคนใดถ้านอนุภามาเปรียบออกเกิดแม้ในวันนั้นแต่หากรู้จากคิดนึกรู้สึกตนเองเว่าเกิดขึ้นมาต้องมีความเสื่อมความสูญสิ้นไปเป็นธรรมาดาแล้วรีบร้อนสร้างคณงามคนดีเปรียบเหมือนกับเราทางานแข่งกับเวลาดูในกายอยตลอดเวลา เพอจะหมดเวลาเพื่อให้งานกลางตนสำเร็จร่วงไปโดยเร็วคนไม่ประมาทต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแหะที่เทศนายคืนนี้คืนที่แล้วคืนที่แล้ววันนี้พูดถึงเรื่องนี้นะอันเทศในวันนี้ก็เทศถึงเรื่องอันนี้จังเขาไม่เที่ยงรวบรวมแล้วพูดไ่ยาวมันก็ยืดยาวพูดยังย่อซะก่อน คือว่าธรรมะคำสอนของพระเดจาสอนให้เรารู้จักชีวิตของตนว่ามีอันจะต้องเสื่อมสูญสิ้นไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นชีวิตที่ยังเหลืออยู่จงทำประโยชน์ให้เกิดประโยชน์แก่ตนและคนอื่นเช็เมื่อมีการศึก ษ, ษาอย่ารีบศึกษาเาสันเดลรุ่ร่วงไปได้เพราะชีวิตล่วงเลยไปได้เอากลับคืนมาไม่ได้วันนี้หมดไปแล้วจะเอากลับคืน อ, อีก หมดไปหมดไปแล้วก็เมื่อเข้าใจเช่นนี้แล้วจะได้ไม่ประมาทในทางพุทธศาสนาสอนอย่างนี้สอนให้เป็นผู้ไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเพราะมันไม่แน่นอนถาวรอยู่ตลอดกาลเวลาเกิดขึ้นมามันแปรสภาพตั้งแต่ปฏิสนธิ ถ้าคันไม่แก่มันก็ไม่เกิดเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่โดยล้องดับมาอยู่ในประเทศเน่เหมือนกันเรื่องคนเนี้ยคนเราไปมองแต่เ ง, งี้จเจริญไม่รู้จักกลมเสือ่อมแท้จริงวลมเสือเ่อมก็กลมเจริญตามมาไปเรือ่องานี้ยอมนีอันเดินมาจากตะกุนขึ้นรถมาทิ้งพ้นทางไว้เป็นระยะระยะกิโลเป็นกิโลกิโลพ้นทางข้างหลังยาวไปซะมาถึงนี่สั่งมาทุกที อย่างนี้จะกลับไปเ้าตันครทั้งนี้ก็ยาวไปเรื่อยไปทั้งหน้าชัานไปแต่ชีวิตของคนมันยังไม่รู้จักขอบเขตไม่มีกิโลวัตต์กับสิไม่ทราบจะตายวันนี้มือรือนกันไปจ้ะตายว่าไหนก็ได้มัอนกันเพราะฉะนั้นท่านจึงให้สอนให้พากันเยียรมาพเมื่อคิดถึงชีวิตของตนได้เช่นนี้แล้วว่าเป็นของไม่เที่ยง เขาไม่เที่ยงนั่นะคือบอกไม่ได้สอนไม่ฟังเขาไม่เที่ยงก็คือมันเป็นทุกข์นัของที่มันแปรสภาพนึงมันเป็นทุกข์ทุกข์คืแปลว่าทนได้ยากยากที่จะทนอยู่ได้คือทนไม่อยู่นั่นเองเรียกว่าทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ร้องทรวญคางเจ็บไข้ได้ปวดอย่างนี้เรวาทุกข์อันนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่อันเรื่องเล็กน้อยที่มันแปรสภาพอยู่ปกติธรรมดาตลอดหมากการเวลานัน่นแหะคือมันทุกข์ แล้วแต่สิ่งนั้นข้าไม่ได้บอกไห้ฟังชื่เรียกว่าอนัตตารักพุทธศาสนาแท่ น, นสอนเรื่องอนัตตาจุดของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราอนัตตาจะเข้าใจว่าของไม่มีท่านสวดตะกี้นี่กระผมจะได้ยินรูปังพิฆเวอน ต, ตาพระพุทธเจ้า รับสั่งถามพิกสุปัญจวคีร์ทั้งห้าว่าพิกสุทั้งหลายรูปเที่ยงหรือไม่และพระองค์ก็เทศตอบไปว่าข้าหาก็มันเที่ยงแล้วมันคงจะไม่แปรปวนไม่เป็นอาพาธไม่แปรปวนนี่ข้ามันไม่ไม่ค่อยอาพาธคือมันเจ็บมันป่วยคือมันแปรปวนนั่นเองเพราะมไม่เที่ยงนี่ผู้ดวง เวทนาสัญญาสังขานรนิยานรวมเรียกว่ากายกับใจขันหักคือกายกับใจตัวของเราเป็นของไม่เที่ยงเมื่อวินไม่เที่ยงกับเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคําว่าอนัตตานั้นคล้องไม่มีแล้วจะไปเอาอะไรมามาเป็นเครื่องวดัดคล้อไม่มีมันจะอนัตตาได้อย่างไรอันนี้สร้างสูญเปล่ามันจะอนัตตาได้ยังไงอากาศเป็นอนัตตาย่างไง เอาอะรมาเป็นเครื่องวัดมาเป็นอนัตตารูปนี่สิขันหายสิมันแปลปวนนี่สิมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ไม่ใช่ของเรามันเป็นแบจนสภาพของมันทุกคนพากันคิดดูตัวของเรามันแกใครบอกทำไมแก่แก่นาทีวินาทีช่วงโมงวันคืนปีเดือนมันแกไปใครบอกมันมแก หรืออาหารที่เราบริโภคเข้าไปในตัวของเรานี่แหละปิดเข้าไปในปากเกกคี้ยวแล้วก็เกลือนังไปอันที่มันไปหล่อเลี้ยงเลือดก็ดีมันไปหล่อเลี้ยงกระดูกก็ดีเนื้อหนังหรือเซลล์ต่างๆก็ดีใครบอกมันไปใครไปบังคับมันสภาพมันให้เป็นอยู่เช่นนั้นเข้ามันห้าก็ส่วนในส่วนหนึ่งมันวิการมันใช้งานไม่ได้ แล้วก็ไม่ได้ทํามันเป็นแต่มันเป็นอีกอาารยครานี่มันวิการมันเลยแช่งานมาได้มันก็หยุดงานของมันก็เรียกว่าป่วยว่าเจ็บก็เรียกว่าไข่อันนี้คนเมื่อมันทํางานหน้าตามนาทียงวันนึยเราไม่ได้บังคับเรือนอนชุยชยอนนอนโกน ช, ชุดชุดอยู่ไม่รู้เรื่องเนั้นสภาพของมันเป็นอย่างนี้นี่เรียกว่าอน้าตา <c oughs> อนัตตาอยากางของไม่พระพุทธเจ้าจึงตั้งรูปนี่แหละคือรูปกํามนามคือขันหานี่แหละเป็นหลักเกณฑ์ว่าตัวนี้เป็นอนัตตาจึงยกขึ้นมารูปปางพิฆเวนตาไม่ได้พูดถึงเรื่องอันนี้จังทุกขออ์อนัตตานี่พูดได้พูดถึงเรื่องผู้มีปัญญาเลผู้มีปัญญาฉลาดได้จึงค่อยยกอนัตตาขึ้นก่อน ถาไม่ชลาต้องยกพุกขึ้นก่อนอันนี้เจียงทุกข์ังนนตตาแต่นี้ยกอนุตตาขึ้นก่อนเลยผู้มีปัญญาต้องจับตรงอนุตตาทีเดียวอนุตตาเป็นของไม่มีสาระพูดกันง่ายกว่นี้เขาไม่มีสาระสาระในที่นี้นั่นมันเป็นเรื่องธรรมะ อย่างที่ว่ามาเนี่ยชีวิตทุงคนเราเกิดขึ้นมาก็แก่ต้องเจ็บต้องตายสลายไปถึงแม้ใครจะทําประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองด้วยชาผมรู้เลยด้วยความสบายดุลพันธ์ใดก็ตามเถิดอันนั้นที่อีกเรื่องหนึ่งเรียกว่าเราเอาของถ้ามันมีสาระให้มันเป็นสาระแก่ประเทศชาติบ้านเมืองแก่ผู้อื่นแต่แท้ที่จริงคือตัวเราไม่มีสาระอะไเล ย, เลยมีอาการเป็นไปตามสภาพอมันอย่างที่ว่ามา น, นี้ เห็นนั้นถ้าหากคนใดรู้ตัวของตนว่าไม่มีสาระแล้วให้ ย, ยามทำของที่มันมีสาระให้เป็นสาราขึ้นมาจึงได้ชื่อว่าสร้างความดีถ้าทําอย่างยิ่งอย่างดีวิเศษเขาเรียกว่าวิรชนคนนั้นเรียกว่าวิรชนเพราะจะนิยมนับถือแหละแล้วลึกคิดถึงบุญกุลของเขาสร้างนร์สาลีอนุสาลีไว้เป็นโนศนอย่างยืดยาวแม้ในแต่กุลคองเราก็เช่นั้นเหมือนกัน เช่นตัวอย่างท่านอาจารย์ฝันเหมือนกังกับเรานี่แหละไม่มีสระเด็กความดีมาตั้งแต่เด็กไปเล็กจนกระทั่งเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งเป็นพระทนายอาจารย์กุณอาคุณใหญ่มีชื่อเสียงด่งดังก้องกังวาลทั่วทั้งประเทศสาร ะ, อะไอทําสิ่งที่ไม่มีสาระเป็นประโยชน์ในผลที่สุดมันก็นอย่างเงี้ยไม่มีสระเ ง, งี้ยตายสลายสปเลย อยู่ไปไหนอย่าไปเข้าใจว่านาตาคือของไม่มีของไม่มีไปพูดมันทําไมพูดที่จะอาพูดของมีที่จะมีเหตุมีผลของไม่มีน่ยมันมีเหตุมีผลอย่างที่บ่ายอธิบายตรงนี้ให้รู้จักว่าไม่มีสาระที่เรียกอ่านาตาของไม่มีจะเอาอะไรมาพูดกันคู่พูดก็ไม่มีผู้ฟังก็ไม่มีก็หมดเรื่องกันแล้วของมันสูญมาได้จะเอาเราพูดกันไม่ได้จเอาเราพูดกัน แล้วไม่มีเหตุมีผลตรงไหนกันมันก็คล้ายๆกันกับว่าค น, วนวคนหัวหนวกกับคนหูหนวกพูดกันหน้าคบขันเลยถ้าหากคิดพิจารณาเรื่องอันนี้คนคที่พูดก็เป็นคนไม่มีผู้ฟังก็เป็นผู้ไม่มีคือเป็นของศูนย์ด้วยกันแล้วอะไรว่าอะไรกันนะทำไมจะไปว่ากันเนี้ยแล้วของมีมาว่าของมี มันไม่มีสาระมันไม่มีหลักฐานกฎเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลเพียงพอศาสนาพุทธมีเหตุผลเพียงพอนิรการทำบุญถ้าหากว่าทำบุญหาคนตายเรามีความเข้าใจแล้วพิจรารณาคิดในถูกตามหลักของพุทธศาสนาจะเป็นของมีค่าแก่ผู้ตาย คือก็คือตาเราเป็นสักขีปนาวุธไม่ว่าเป็นของไม่มีสลระทีน่นี้ตัวของเราจะได้คิดลึกถึงตัวของตนจะเป็นผู้ไม่ประมาทจะสร้างคนงานคนดีให้เหมือนเหมือนกับท่านพวกคนเราโด้สรราติไม่เป็นเช่นั้นสิอาจารย์ฟันแล้วทําทตัวอย่างให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างถ้ากันมาเมาส์ตั้งแต่รูปตเตียงท่านอาจจะตายแเลี่ยแย่งกันจะรูปตเตียง จนจะเหยียบจนตายมันได้อะไรขึ้นมาของกันไปหาแจ้งขาวกันหมดรูปเขาเลี้ยงนี่ก็เอาเชั้นชั้นหมากนั่นแ่ะเอาหมากเข้ามาแหงนั่ะเอานไปปอไปนอนได้เอาเป็นของดีของดีเลี้ยงเนี่ก็เอาไปกอดไปนอนได้เอาเป็นของดีของดีมันมีสาระอะไรตัวของเรามันไม่ดีกับทางอย่างทัดถ้าก็บอกว่าพุทโธพุทโธนะฮะเอาพุทโธพุทโธมันไม่ถึงพุทโธให้สักที มันถึงแต่เพียงแค่เหรียญนั่นแหละเหรียญหแล้วถึงมดเรื่องโอ้ยเบื่อเบื่อจะมาอย่างไรอยู่ข้างนอกมันสบายเย็นหูเย็นตาเครื่องเจ็บเข้ามาเมืองไทยสักไปวันไหนก็มีตายาติดรูปติดเหรียญเด็กหัวทั่วมือเด็กไปเห็นกับขเขเหรียญนะครับมันจะเอาไปเหตุอย่างกันเอาท่าคันบ้าหลานเะจ็บหู เอาละทั้งหมดนะที่นะูจนะโดนตบฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า